ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงจะมาต่อกันเรื่องการของกุ ม, มารแต่แต่ว่าอาตมาก็ต้องขออภยัยบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งนี้ก็เพราว่าจะต้องขอย้อนต้นสักนิดหนึ่งคำว่าย้อนต้นก็ไม่ใช่ไปย้อนเอาการมัตสีหรือใครกุ ม, มารแล้วก็การโชชก จะต้องย้อนไปถึงกันทันกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเรื่องราวเขาต้องเสือเล่มที่ถืออยู่ที่มือนี่ปรากฏว่าท่านผู้เขียนท่านคงจะมีความรู้เกินพระพุทธเจา้าได้ตัดทอนในความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหายไปที่จุดหนึ่ง วันนั้นที่บันทึกในตอนนั้นเพราะว่าอาตมาป่วยมากเป็นอ น, นว่าสิทธิตอนที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทฟังมาตอนนั้นอาตมาบันทึกกำลังป่วยทั้งนี้ก็เพราะว่าเกรงว่าทางสถานีวิทยุจะขาดนานเกินไปเพราะขาดมาเป็นเดือน แนื่องใน ว, ว่าปีพศ .2512 อา25ตมาไม่มีโอกาสจะได้อยู่วัดในซอออกพรรษาเลยท่านนี้เพราะว่าภารกิจภายนอกคือต้องเดินต่างจาางังหวัดเข้าแดนธุรกันดานบ้างไปต่างประเทศบ้างแถมร่างกายก็ไม่ดีมีสภาวะสุดโสมมากแรงก็ค่อยหมดไปปีนิดเลยมาก การเมื่อเหนื่อยมากไม่เป็นไรไม่ยความนากร่างกายเหนื่อยง่ายเกินไป <c oughs> เรียวยาเป็นเพราะความแก่เ ม, ม, มื่อแก่มากงานมันก็มากมันก็เหนื่อยมากเลยทําไม่ไหวเพราะนั้นว่าความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรบริมสาสดานี่ญยญาติโยมต้องขอประธานอภัยนะ ทั้นี้เพราะอะไรก็เพราะว่าอยู่ฟังเรื่องนี้กันรู้สึกว่าจะมาพบกับหลวงตาแก่ขี่บน่นแต่ละตอนก็บ่นทุกตอนเพราะว่าน้งองซีนี่จะเอาเป็นที่พึ่งก็ต้องขอขอบคุณท่านที่ท่านเขียนมาให้เป็นที่พึ่งได้แต่ว่าจะเทียบกันกับมา้าธรรมะ ม, มันมีสี่ขา ก็พึ่งได้เป็นแค่สองขาขึ่งเท่านั้นเองและได้เฉพาะอย่างยิ่งไอา้มา้ที่ท่านจัดให้มาขี่ถ่าก็ตัดหวัวสัดหาทิ้งไปซะด้วยแต่ก็ยังดีความดีของท่านยังมีอยู่เพราะว่าที่ยังมีม้ให้ขี่เป็นว่าตอนนี้ขอย้อนไปทั้งตอนทานนะกัน <c oughs> ตอนทันนกันตอนนั้นตอนที่พระเวสสันดรไปหาพระ น, นางมัตสีตอนที่ดีเนี่ยท่านตัดทิ้งไปให้กล่าวว่าทรัพย์สินที่พี่ให้และที่บิดามารดาคนล้องให้เก็บไว้ได้ดีที่ยังไงที่พระ น, นางมัตสีบอกว่าเก็บไว้ได้ดี แล้วพระเวสสันดรก็ทรงสั่งว่าการเก็บเฉยๆมันก็มีสภาพมันก็เอาอิฐเอาหินมากรองไว้ <c oughs> หรือว่ า, อ, าอิฐเอาหินมาฝังดินสู้ทำทานไม่ได้นี่ได้เขียนมาที่เบงแท่นี้แต่จะว่าเรื่องราวของพระเวสสันดร น, นี้กล่าวกับพระนางมสีเป็นอันว่าสองตอนนี้บรรดาญาติโยมขุนบริษัท <c oughs> คงจะปรารบเอาข้อวัดปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระสงฆ์เสวัตติโสภาคคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่สอนเพื่อประโยชน์กับประชาชนมาใช้นะตอนนี้กับตอนหน้าอันนี้หากว่าญาติโยมจะฟังเรื่องพระเวสสันดรให้มันเร็วๆแล้วก็ขอภัยด้วยคงเร็วไม่ได้จะเอาประโยชน์มาใช้กันบ้าง เป็นเพราะวตอนนั้นพระเวสสันดรสั่งพระนามาสี่อย่างนี้ว่าน้องรักทรัพที่มีอยู่นี่คนจะแบ่งออกเป็นสี่ส่วนคำว่าสี่ส่วนนี่ไม่ใช่สี่หารพระมกจจเทจะว่าสี่หารนี่วลางจริงพระท่านไม่เคยทามาหา้กินทน่านไม่รู้ เราส่งเดชประเภทนี้ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์มันเกิดโทษแบ่งเอกเป็นสี่ส่วนคือหนึ่งเป็นเป็นหนึ่งใช้หนี้เก่าจะไม่ดีนะว่าทรัพย์ที่มีอยู่เนี่ยแบ่งเป็นสี่ส่วนคือหนึ่งใช้หนี้เก่าอสองเริ่มทำตนเป็นเจ้าหนี้ใหม่ นี่ก็สามฝังไว้สี่ทิ้งเหวี <c> ่ <oughs> ย, ยงาโยมเข้าใจไหมท่านบอกให้แบ่งทรัพย์ทรัพย์นี่เป็นสี่ประเภทถ้าว่าสี่ส่วนดี่จะเข้าใจพลาดเอาเป็นสี่ประเภทคืนหนึ่งเป็นช้นี่เก่าสองเป็นเจ้านี่ใหม่ สามฟังไว้สี่ทิ้งเหวแเป็นว่าฟังของท่านแล้วก็เข้าใจยากท่านอธิบายไว้อย่างนี้คือว่าใช้นี่เก่านี่หมายความว่าทรัพย์ที่พี่ให้ก็ดีหรือที่บิดามันดาน้องมอบมาคนดีท่านเป็นรูปกระสัตรขอับมามาก เมื่อมีทรัพย์อยู่แล้วใช้หนี้เก่าหมายกว่าจงธนุบำรุงบิดามันดาหรือว่าท่านผู้มีพระคุณให้มีความสุขตามกำลังทรัพย์ของเราที่มีอยู่แต่ว่าจะถามว่ากี่เปอร์เซนต์ของทรัพย์ที่มีนั้นกำหนดไม่ได้除了แต่ความจำเป็นในอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือเป็นเจ้าหนี้ใหม่ หมายความว่าเอาทรัพย์นีมาธนุบำรุงลูกที่เป็นที่รักสิ่งทีกำเนิดมาจากเราให้เธอมีความเป็นสุขในความเป็นอยู่แล้วก็มีสำหรับพ ย, ยาใช้ยาพยารักษาโรครืออาหารยารักษาโรคการศรึกษาการจับใจใช้สอยในเหตุตามสมควรแก่ชีวิตตามฐานะ แล้วก็ฝังไว้คำว่าฝังไว้ในส่วนหนึ่งให้บำเพ็ญกุศลหมายความว่าทรัพย์ที่บำเพ็ญกุศลเนี่ ย, นนยจะทำให้ตนมีความสุขทั้งในชาตินี้และชาติหน้าอย่างการให้ทานเนี่ยคนที่ให้ทานหนึ่งย่ย่มจะได้เป็นที่รักของบคุคคลผู้รับทาน ทั้งนี้ว้นไม่แต่คนผู้รับทานที่มีจิตประกอบไปใน อ, อกุศลเหมือนกับคนสมัยปัจจุบันนี้การให้ทานพระเวสสันดรหรือาหรือว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัว่าต้องเลือกให้ไม่ใช่ว่าใจดีให้ดักด้วยการให้ของเราจ ะ, จะมีคุณและมีโทษ ถ้าให้แล้วมันมีโทษก็จงองยาให้ให้แล้วเกิดประโยชน์กับบุคคลผู้รับแล้วก็ไม่เดือดร้อนมาทั่งเราก็ให้เคยยาต่อตีนโจรแล้วอิระอิบรายการหนึ่งก็เว้นไว้แต่ว่าถ้าหากว่าเป็นการบังเอิญเป็นการบังเอิญเนียเป็นโจรหรือไม่ใช่โจรที่เป็นใครก็ช่างแต่ไม่หิมวมายาตายเราก็ให้ ให้เพื่อเป็นการสงเคราะห์ให้เคาส่งชีวิตแต่การที่จะให้เพื่อบุคคลผู้นั้นตังต้งตัวได้สร้างฐานนะอันนี้ต้องดูคนว่าคนประเภทนั้นถ้าให้ไปแล้วไปสูบเฮโรอีนไปกินยาฝิ่นไปกินเหล้าเอาไปเจ้าชู้เล่นการพ น, นันอย่างนี้ไม่ควรให้เลย แม้เขาจะอดจนทัางตายก็ควรจะโมทนากับเขานี่เป็นความมิงอตมาเพราะว่าเขาหามาได้เขาไม่รักตัวเขาเองเขาสาไปใช้ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตในเมื่อตัวเขาเองเขาไม่คิดจะสงเคราะห์ตัวเองแล้วทำไมเราจรึงจะไปสงเคราะห์เขา ดีไม่ดีมันจะเป็นการขัดคอเขาเกินไปเป็นอะไรการให้ทานเนี่ยหนึ่งเราจะได้เป็นที่รักของบุคคลผู้ให้ทานและราการที่สองผู้รับทานมีความสุขจากทรัพย์สินที่เราให้ไปจะมากก็าตามจะน้อยก็าตามเขาอวดเจตายเรามีเข้ายินกับผัก ต้มนิดหนึ่งน้ำพริกหน่อยหนึ่งเขาก็ดีใจเขาว่าสามารถจะทรงชีวิตเขาได้เขาก็จะมีความสุขขึ้นเราเมื่อมีคนรักมากอันตรายมันก็น้อยลงอุปสรรคต่างๆมันจะมีขึ้นถ้าเรามีคนรักมากเขาก็าช่วยเปลืองอุปสรรคทั้งหลายเหล่านั้นต่างกําลังไม่เห็นไหมายความว่าจะเปลืองใดหมด เป็นนันว่าผู้ให้ก็มีความสุขใจในฐานะที่มีเพื่อนดีผู้รับก็มีความสุขกายสุขใจในฐานะที่ได้รับการสงเคราะห์คนทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างก็จะมีการรักกันให้รับผู้เนินชาติปัจจุบัน <c oughs> ในสัมรารายพบท่านกล่าวว่าทานังสกโสทานนาง ทานย่อมเป็นบันไดให้ไปสู่สวรรค์เปนมาชาติหน้าเราไม่ต้องพูดแข่งก็ได้แล้วพูดกันชาตินี้เมื่อวันหน้าเราก็ไม่ต้องพูดกันเราพูดกันวันนี้วันนี้เราให้บุคคลผู้รับก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเราได้รับการยินมแย้มแจ่มใสเราก็สดชื่นเขารักเราเรารักเขาต่างคนต่างก็มีความสุขแในก็ข้อที่สี่ท่านบอกว่าทิ้งเหว ทิ้งเหวนะ้นะหมายความไอ้เหวลึกมันมีอยู่เหวหนึ่งที่เราข้ามกันไม่ได้เลยทุกคนนั่นก็คือท้องเหวอื่นๆนะถ้าเราขนของไปใส่มัน ม, มีมีการเต็มไม่เต็มมากมันก็เต็มน้อยเค่อยเต็มขึ้นมาแต่ว่าเจ้าเหวคือทองในบรรดาท่านพระตบฤษัทลองคิดดูที่ว่ามันลึกขนาดไหน ข้าวใส่ไปกี่เกวียนกี่เกวียนมันก็ไม่พอไม่ปรากฏว่ามันตมเต็มตรงไหนเลยเป็นอนวุวาพระเวสสันดรทรงแนะ น, นำพระ น, นางมัสสีว่าถ้าหากว่าจะให้มีความสุขจริงๆในฐานะที่ตนจะต้องปกครองตนเองและมีชพย์สินอยู่ต้องปฏิบัติตามนี้ ข อ, อยอนในทิศหนึ่งสนองคุณท่านผู้มีคุณให้การอุปการะเลี้ยงดูท่านตามสมควรแก่ฐานะรายการในสองทําคุณใหญ่กระบทที่ดาที่มีอยู่รายการในสามให้ทานเพื่อเป็นการสงเคราะห์สร้างความสุขในฐานะที่เรามีมิตรเพืเป็การในสี่ เอาก็ทํากิจคือการเลี้ยงตัวได้แต่การทิ้งเหวคือกินแเรว่าเงินมีอยู่จะแบ่งเป็นสี่ส่วนไม่ได้ดูตามความจําเป็น <c oughs> ตามความจําเป็นว่าส่วนไหนมันจะใช้ประมาณเท่าไหร่ใช้ตามคนจะ่ฐานะนี่ที่พระ บ, บอกว่าเทศชอบเทเอาสี่หารบาทยังแบ่งเป็นสี่สหลิงยังนกกพัง เป็นนัวตอนนี้พระเวสสันดรดึงสางพนามัสสีไว้อย่างนี้จึงก็ต้องเป็นเหตุที่พนางมัสสีสงสยัยพระเวสสันดรยินดีกล่าวความจริงอันนี้มาอีกตอนหนึ่งตอนที่พระเปเฝ้าพระเจ้ากรงสนชัยนองซื้อท่านกอดไว้พระเวสสันดรเข้าไปเฝ้าพระเจ้ากรงรสนชัยเนี่ยความจริงเสียใจ เพระไม่ได้โกรดลูกลก็รู้ตัวลูกไม่ผิดแต่ว่ามันเป็นเสียงของคลื่นประชาชนถ้าคลื่นประชาชนเห็นด้วยก็เจ้ากรงสนชัยก็คานไม่ไหวก็จําเป็นจําใจต้องปฏิบัติตามความเห็นความเห็นของประชาชนตอนนี้น่าเห็นใจท่านเมื่อพระเวสสันดรเข้าไปแต่ก็หันข้างให้ ที่หันข้างให้เนี่ไม่ใชกโกรธจำตามันไหลใจมันสะอื้นมันทนไม่ไหววันนี้สุดก็มาพูดกับพ น, นางมัตสีคอยแม่มัซสีอยู่ท่านมัตสีทึงก็ บ, บอกว่าแม้แต่ลำต้นของท่านยังคุ้นได้ท่านอย่าไปเห็นอะไรกับกิ่งกับใหม่ในพระเจ้ากุงสนชัยก็ยิ่งสอื่นหนักขึ้น เพราะว่าเจตนานแล้วพระองค์ไม่ได้ทรงทําอย่างนั้นก็เป็นนั้นว่าพระเวสสันดรก็ต้องออกไปตอนที่จะเรียกกันหาชาลีครับไปประคับประคองเขาอยู่กับปู่กับญ้า <c oughs> ท่านกันหาชาลีก็จะมากับพ่อกับแม่ตอนนี้เราคุยกันมาแล้วนะต่อตอนนี้ไปก็ขอเก็บตก ว่าบุคคลผู้ครองเรีอนที่จะมีความสุขเราก็าคุณว่ากันทั้งผู้หญิงและผู้ชายไม่ใช่ ว, ว่าเนี่ยคุยฟังว่าคนปฏิบัติได้เหมือนกันเมื่อกี้นี้องค์สมเด็จพระทรงท่านทรงกัสว่าทรัพย์ที่มีอยู่คุณแบ่งเป็นสี่ประเภทหนึ่งบำรุงบิดามันดาผู้มีพระคุณเรียว่าชําระนี้เก่า สองเป็นเจ้าใหม่คือบำรุงบทินดาให้มีความสุขสามฟังไว้ก็คือให้ทานสี่ทิ้งเหว่ก็คือกินถ้าปฏิบัติแบ่งส่วนทรัพย์เป็นสี่ประเภทให้ครบทุนประเภทนี้ก็รู้สึกว่าจะมีความสุขไหนไหนก็อย่าพูดกันนึงมีความสุขที่พระพรุทธเจ้าทรงแนะนำเคลวะวิสยัย ที่ไอ้คิดว่าองค์คําสอนองค์สมเด็จพระจอมไตรเนี่ยมันเกินพอดีสําหรับชาวบ้านปฏิบัติ <c oughs> จะได้รู้ว่าองค์สมเด็จพระสุนสวัสดิสิโสภาคสอนไว้ขนาดไหนบ้างไม่แค่มาถึงก็งัดเรื่องนิพพานศีลสมาธิปัญญาเสมอไปมีตอนหนึ่งที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสในเวลาหรืสิบนาที ในตอนนี้เป็นเรื่องของตอนนาวิสาขาเมื่อนาวิสาขาจะแต่งงานจะต้องไปอยู่บ้านสามีท่านบิดาก็เรียกมาในห้องแ <c oughs> นะนงลูกสาว่าวถ้าเจ้าไปอยู่กับสามีเนี่ยอย่าลืมนะว่าสามีเนี่ยไม่เพีพอเขาเป็นผัวทีแรกเขาก็บอกว่ารัก ในเรื่องของความรักระหว่างร่างกายเนี่ยมันรักก็ไม่นานแต่คนที่จะอยู่กันได้นานก็ต้องรักกันด้วยน้ำใจเรื่องจริยาบมญญษติเนี่ยมันเรื่องใหญ่การปพปฏิบัติให้เหมาะสมอันโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกสะพ้ยกับพ่อผัวแม่ผัว <c oughs> ต้องระวังให้มากเพราพ่อผัวแม่ผัวเนี่ยไม่ใช่พ่อตัวแม่ตัว พ่อตัวแม่ตัวจะเปลดจะกระชังแยงก็ตามทีทิ้งลูกไม่ได้แต่พ่อผัวแม่ผัวเนี่ยบางทีเขาก็เป็นพ่อเป็นแม่แต่บางทีเขาก็เป็นยักษ์สำหรับลูกสะพ้ายเหมือนกันฉะนั้นขอลูกเวลาที่ไปอยู่กับสามีนั้นควรปฏิบัติอย่างนี้คือหนึ่งไฟในอย่านำออกสอง ไฟนอกอย่านาเข้าสามคนให้แกผู้ที่ให้สี่ไม่ให้แกผู้ที่ไม่ให้และก็ห้าคนให้แกผู้ที่ให้และไม่ให้ <c oughs> หกนั่งให้เป็นสุขเจ็ดบริโภคให้เป็นสุข 8. ปดนอนให้เป็นสุข เก้าจงบำเรอไฟสิบควรนอบน้อมเทวดาภายในนี่เป็นอนุวาตท่านธนันชัยเศรษฐีท่านแนะนำบทสาว่าท่านว่าท่าลูกสภัายที่ดีจะให้มีความสุขแล้วก็ควรปฏิบัติตามหลักสิบประการ แต่นั่นท่านธนันชัยจะเสียฐีท่านสอนลูกสาวของท่านแต่ถ้ามาก็มีความเห็นว่าจะเป็นลูกสะภ้ยก็ดีจะเป็นลูกเขยก็ดีจะเป็นสามีก็ดีพัญญาก็ดีพ่อก็ดีแม่ก็ดีลูกบ้านก็ดีหลานบ้านก็ดีเลนบ้านก็ดีเพื่อนก็ดี เหลือคนที่อยู่ร่วมกันทั้งหมดจะประเภทผู้รับใช้เล็กนายก็าตามควรจะจำเอาหลักสิบประการนี้ไปประพฤติปฏิบัติคู่กับหลักสี่ประการที่กล่าวมาแล้วจะมีความสุขมากและก็ยังมีข้างหน้าอีกสิบประการนะสองหมดนี้สองตอนนี้ขอพูดธรรมะสักหน่อยเป็นธรรมะของชาวบ้านชาวบ้าน คือข้อที่หนึ่งท่านช่วยกันคิดนะท่านบอกว่าไฟในอย่านําออกนี่หมายความว่าคนเราที่ร่วมกันอยู่เนี่ยไอเหตุข้างในที่มันไม่ดีไม่ดีคือว่าคนก็ในปลารคคนข้างนอ ก, กว่าคนนั้นไม่เป็นเรื่องไม่น่าไว้วางใจ <c oughs> คนโน้นอาจจะมีอันตรายกับบ้านของเราคนนี้ เขามุ่งปทุสร้ายไปเอาไข่มาทำร้ายเรื่องที่มันอยู่ข้างในนี่มันเป็นจุดเครื่องความเดือดร้อนที่จะต้องกระทบกระเทงกับบคุคคลอื่นหรือว่าคนข้างในนี่คนนั้นไม่ถูกกับคน น, คนั้นคนนี้ไม่ถูกกับคนนี้้าอาศัยการที่ขัดใจกันบ้างลิงกับฟันย้งขัดกระทบกันได้เป็นของธรรมดา ตอนนี้ท่านบอกว่าจงอย่าเอาเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ไปพูดกับคนนอกบ้านไม่ว่าใครทั้งหมดจะเป็นเพื่อนนี่จะเป็นใครก็ตามภายนอกจากกลุ่มนั้นไม่พูดเลยที่อย่างว้ยพวกเราก็โดนมาสมัยหนึ่งมีพระองค์หนึ่งเข้ามาทำตนคล้ายๆกับจะเป็นคุณนางผู้ใหญ่ แต่รู้สึกว่าเวลาออกไปข้างนอกแกนําเรื่องที่ความจริงมันไม่จริงไปพูดกับใครแต่ใครไว้ข้างนอกแล้วไปข้างนอกเขาก็ถามว่าเรื่องทั้งหลายเหล่านี้มันมีอ ย, ยู่เลยก็บอกเอ๊ะไม่เห็นมันมีนี่นะถ้าถามว่ารู้มันได้ยังไงเขาก็ตอบพระโอ้นั้นไปพูดหนฟังให้พระโอนั้นไปแล้ว ยิ่งมารู้ทีหลังเมื่อท่านไปแล้วท่านปล่อยกากไว้ข้างหลังจันไ่สราบเพราะว่าหนังสีอเรี่องไรของท่านการบอกบุญเป็นกรณีพิเศษมาบอกบุญกับชาวบ้านโอ้โหเยอะเลยแกมาเอาวัดเป็นที่ทำมาหากินมานั่งโคตรจะทำไมต้องคิดแต่ว่าทำอะไรไม่ได้มากเพราะว่าพอเริ่มทำก็มีพระภายในรู้ทัน เมื่อพระภายในรู้ทันทนหนินพระอเมริด้การท่านก็ย้ายกลับไปนี่อลัชชีที่มีในพุทธศาสนามีแบบนี้เมื่อก่อนที่อยู่ภายในก็เอาเรื่องไปพูดแต่เรื่องมันไม่มีเขาถามแล้วก็ตอบว่ามันไม่มีมีอาตมาก็จัดการแต่ว่าก่อนที่จะไปเวลาจะไปกูย์ขนของไม่ทันทิ้งดีโกดีกาแอบวิรัยไว้เยอะ มีจดหมายติดต่อกัชอบชาวบ้านชาเมืองใครไปใครมาก็ชอบถามบ้านอยู่ที่ไหนไหมเลือที่เทา่าไรมีโทรศัพท์ไหมีม่ชอบติดต่อแล้วก็จดหมายไปเไอ้ไร่อ้ไ ร, รกระทั่งต่างประเทศคนไทยไปยูเมริกาก็าถูกเรื่ไยๆรยด้วยนี่คนที่เราไฟในนำออกแต่ความจริงไฟในไม่มีแต่ไปจุดไฟข้างนอกเามันเป็นไฟข้างใน ประเภทนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองในที่สุดตัวเองก็อยู่ที่วัดนี้ไม่ได้ต้องไปแล้วก็ไปไหนก็ไม่สราบเป็นเรื่องของท่านทางวัดไม่สนใจทีนี้ขอบรรดาจท่านอย่างหลายฟังไว้ที่เรื่องเหตุสิ่งประการตามที่กล่าวมาแล้วเอานิดหนึ่งไฟในจนห่า น, นําออกถ้าเรานําออกไปแล้วคนข้างนอกเขาก็จะโจมตีวไว้บ้านนี้มันไม่มีความเป็นสุข ภายในมันยังทะเลาะ ก, กันเราจะคบอะไรกับมันได้คนนิสุดตนเองนี่นก็จะซ้ำร้ายมีแต่ความทุกข์รู้ว่าเขารู้ว่าเราเอาเรื่องของในไปนินทาข้างนอกคนเลวนี่ไม่มีใครคขอยากคบข้อดีสองนั่นบอกไฟนอกเยียดนาเขาหมายความว่ามีใครเขานินทาว่าร้ายในเรื่องกรณีต่างๆ <c oughs> คนนอกบ้านเขานินทาพ่อผัวแม่ผัวนินทาผัวนีนท่นนท่านพูดกับลูกคนนะแต่สำหรับพวกเราเราก็หมายความไอ้ไปข้าง น, นอกที่คำกล่าวที่มันไม่เป็นความจริงที่จะสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นหมายความนั้นว่าชาว บ, บ้านเขายุยงแต่แข่งแสเงยบอกคนนั้นไม่ดีจะตีคนนั้นคนนั้นไม่ดีไปนินทาคนนั้น เขาหาว่าคนภายในเนี่ยไม่ดีแต่เราอยู่ภายในเรารู้ว่าภายในเรามีความสามา่คีกันเมื่อฟังมาแล้วก็จงอย่านํามาพูดข้างนํามาพูดข้าในเนถ้าเราระงรับโทสะกันได้ก็ดีถ้าไระงรับโทสะไม่ได้ความรุ่มร้อนใจมันก็เกิดขึ้นดีไม่ดีถ้าใครไปคุยคนนั้นเขาคนข้างในบ้านจะหาว่า เป็นคนเอาข่าวร้ายไปบอกคนนั้นเสีอีกแล้วคนที่ไม่ชอบพูดตรงตามความเป็นจริงเนี่ยก็บุ่ยกระบายง่ายนะระวังระวังถ้าไปถามแก้เข้าไปบอกกับคนนั้นมาบอกฉันนี่บอกฉันอย่างนี้ฉันก็พูดอย่างนี้พ้นที่สุดเราก็อย่ากลายเป็นสุนัขเน่าไปแต่ว่าสาโบราณเขาเอามาหัวเน่าคนข้างในก็จะไม่คบนีย่าสร้างความเดือดร้อนให้กับเราเองด้วย ความสร้างความเดรดัจย์ในแก่หมู่คณะภายในด้วยก็ดีสามนั้นบอกควรให้แก่ผู้ที่ให้นี่ก็หมายความว่าถ้าใครเขาหยิบยืมของไปเงินทองของใช้ถ้าเขายืมเขาไปที่แรกเขายืมเขาบอกเขาเป็นคนดีในเมื่อเขาเป็นคนดีเราก็ให้ แต่เดาว่าถ้าให้ไปแล้วถ้าก็ให้คืนกลับมาที่หลังเขายืมแล้วก็ให้ต่อไปอีกถ้าหากว่าเขาไม่ให้มันก็ต้อเลิกกันนะจะไม่นีในข้อนี้จะบอกว่าจงให้แกผู้ที่ให้ไมายความเขายืมไปแล้วก็กลับมาส่งคืนเขายืมใหม่ก็ให้ได้ทนี้มาข้อที่สีจงอย่าให้แกผู้ที่ไม่ให้ ทำาเมื่ออย่าให้คือไม่ให้แกพูดที่ไม่ให้ก็หมายความว่าถ้าเราให้เขายืมของไปแล้วเขาไม่ส่งคืนคนประเภทนี้จำหน้าไว้เลยว่าต่อไปในชีวิตนี้ตลอดชีวิตแกจะมีกิจมีทุกข์อะไรจะเป็นจะตายแล้วก็ช่างไม่ต้องช่วยเหลือนอะนีรขาดอรหันต์ดานพุทธมริสัทแม อาตอมาพูดเนะคิดว่ามันมีประโยชน์นะแต่ด้ยวยว่าที่นําองาองค์ข้อ ง, องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาว่ากันนี่มาคุยกันคิดว่าเป็นประโยชน์แต่ว่าจะเป็นโทษกับท่านผู้ฟังบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบคําว่าโทษหมายที่นาคาญคิดว่าอยากจะฟังเรื่องพระเบสัดอนให้จบเร็วๆไอตาเท่าขี้บ่นนี่มาพูดอะไรก็ไม่ทราบ เ้าเวลาหมดพอดีนิยาตยมพุทธบริษัทท่านจะว่ายังไงทำไมาก็ไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไรว่าตามสบายก็แล้วกันนะถ้าไม่ชอบใจสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเพราะเวลาหมดขอบันดาสาวกองสมเด็จพระบรมสุคตโพ้ศดับในโปรดจงมีความสุขสวัสดิภพตะนะมงคลสมบูรณ์ผล ได้จงเจริญไปด้วยจากตุลพิตธพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนะสุขพละพระละปฏิพันห์หาทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดถ้าขอให้ได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี